ก็คือระลึกถึงประคุณของพระพุทธเจ้าอันนับว่าเป็นกรรมาฐานอย่างหนึ่งพระอาจารย์ได้แสดงเนื้อความของบทว่าอรหังประมวลเขาแล้ว ก็เป็นค่าประการคือหนึ่งชื่อว่าอารหังเพราะเป็นภูไกลกิเลสข้อ2ชื่อว่าอรหังเพราะเป็นภู ก, ก, กออ า, า, ากกจัดข้าศึกคือกิเลส ข้อ3คือว่าอรหังเพราะเป็นภูหักกรรมแห่งสังสารและจักคือล้อแห่งสังสารหรือสงสารการท่องเที่ยว เวียนเกิดเวียนตายไปในภพชาติทั้งหลายเป็นอันมากข้อสชื่อว่าอารหังเพราะเป็นภูควรไหว้ควรบูชาข้อห้าชื่อว่าอารหัง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 อิเรสนั้นได้แก่เครื่องเศร้าหมองของจิตอิเลสที่พูดกันรู้จักกันอยู่โดยมากก็คือราคะความติดใจยินดี ความโลภอยากได้โทสะความโกรธแค้นขัดเคืองโมหะความหลงหรือที่เรียกกันว่าราคะโทสะโมหะหรือโลภโทสะโมหะ ที่จัดแสดงไว้เป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ในอริียสัตตสีก็คือตัณหาความดิ้นรนทยานอยากของใจเพื่อจะได้พัสดุที่น่าใครน่าปรารถนาพอใจทั้งหลายอันเรียวกว่าการมาตัณหา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 แสดงกันอยู่พูดกันอยู่จึงมักยังได้ยินได้ฟังกันอยู่โดยทั่วไปกิเลสนี้พระพุทธเจา้าตรัดไว้ว่าเป็นเครื่องที่จอนเข้ามา จึงไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของจิตใจแต่เป็นสิ่งที่เป็นอาคารทุกะคือแขกหรือผู้มาเยี่ยมเ ย, ยนเป็นต้น ของจิตใจแต่ก็อาศัยเกาะจิตใจอยู่ตลอดเวลาช้านานคือเข้ามาอาศัยเข้ามาเยี่ยมจิตใจแล้วก็ไม่ยอมออกไป หรือกล่าวอีกอย่างหนึง่งก็คือว่าจิตใจนี้เองรับเอาไว้ให้อยู่อาศัยเหมือนอย่างอ้อนวอนให้อยู่อาศัยเชินให้อยู่อาศัยอยู่ในจิตใจ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 เพราะอุปกิเลสคือเครื่องสองมองทั้งหลายที่จอเข้ามาและเมื่อในบำเพ็ญจิตภาวนาอบรมจิตก็อาจที่จะ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 เป็นอาคันตุกะคือเป็นภูมิท่จจอนเข้ามาฉะนั้นจึงปฏิบัติดับกิเลสกำจัดกิเลสให้กิเลสออกไปจากจิตใจพ้นไปจากจิตใจหรือให้จิตใจพ้นไปจากกิเลสได้ และในข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติดับกิเลสได้มาก่อนด้วยพระองค์เองโดยที่เมื่อพระพุทธเจ้า ่อจะตรัสรู้เป็นประโพธิสัตว์คือเป็นสัตว์ผูสแสวงขาทางเพื่อตรัสรู้สัตว์ก็คือสั ต, ตะว์ตวโลกอันแปลว่าผูกข้องผู้ติด จะเป็นเทวดามนุษย์เดรัจฉานก็เรียกว่าสัตว์ทั้งนั้นได้ในคำว่าสัตตวโลกถึงเป็นคำรวมทั้งหมดเพราะยังเป็นผู้ข้องผู้ติดอยู่ยังไม่พ้นไปจากกิเลสยังข้องยังติดอยู่ด้วยอำนาจของกิเลส พระพุทธเจ้าเมื่อก่อนในตรัสรู้เมื่อเสด็จองค์ออกทรงพรนวดเพราะได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตคนแก่คนเจ็บคนตายเลยสมณะทรงพิจรารณนาา น, น้อมเข้ามามาทุกคนไม่ว่าจะเป็นใคร เมื่อเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่พ้นไปได้ทรงประทนาโมกขธรรมธรรมะเป็นเครื่องหลุดพน้นได้ทอดพระเนตรเห็นสมณะคือนักบวตผููที่สละบ้านเรือนออกจากเรือนเป็นภูไม่มีเรือน ปฏิบัติสแสวงหาธรรมะที่สูงขึ้นกว่าสามั ญ, ญชนก็ทรงพอประทไทยในเพศบรรพชิตเ่าเป็นโอกาสเป็นช่องว่างที่จะได้พากเพียนทางจิต ให้ประสบโมกะธรรมธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นได้จึงได้สเสด็จออกทรงพนุษยและก็ได้ทรงศึกษาในสมนักของคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงต่างๆบางทรงปฏิบัติทดลองไปในวิธีต่างๆซึ่งนักบวชในครั้งนั้นได้ใช้ปฏิบัติกัน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 ทางที่เป็นมัชชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นขุนทางกลางคือมักมมองแปดไม่คงแวะด้วยทางที่เป็นการมาสุขันิการุโยกประกอบตนให้ผู้พัน์ในความสุขสดชื่นอยู่ในกรรมและที่เป็นอัตตอิลมัทานุโยกทรมานตนให้ลำบากเปลา่า ในทรงปฏิบัติไปในมัชมีองค์แปสมบูรณ์แล้วจึงได้ตรัสรู้ประธรรมก็คือตรัสรู้ในอริยสัจสดังที่ตรัสแสดงไว้เองในปฐมเทศนาวิชาวิมุตติความรู้และความหลุดพ้นจกงเมือ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 ในหมดสิน้นจิตของพระองค์จึงบรรลุถึงนิพพานอันเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งหมดด้วยอำนาจของมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นฉะนั้น จึงทรงเป็นภูมิบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจสิ้นเชิงาะฉะนั้นจึงชื่อว่าทรงเป็นภูไกลกิเลสคือหมายความว่าสิ้นกิเลสทั้งหมด ความไกลกิเลสคือความสิ่งกิเลสทั้งหมดนี้เพิ่งเข้าใจว่าสิ้นหมดตลอดจนถึงกิเลสที่นอนจมหมัก ม, มมอยู่ในจิตสันดานอันเรียกว่าอาสวะอนุสัยดังที่กล่าวมาแล้ว ไม่ใช่หมายความว่าเป็นผู้ยังไม่สิ้นกิเลสจนถึงขั้นอาสวะอนุสัยนี้เหมือนอย่างบุคคลแม้ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะ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 สำคัญตนว่าเป็นพระอระหรันติินกิเลสแล้วก็มีลักษณะดังกล่าวนี้ได้มีมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลคือเมื่อปฏิบัติไปจิตใจมีความสงบบริสุทธ ลังกล่าวมีความรู้ความเห็นที่แจ่มชัดดังกล่าวก็สมคัญตนมาเป็นพระราหารันเข้ามาฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเพื่อให้ทรงพยากรณ์และพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบ พราพิกสุเหล่านั้นยังไม่เป็นพระอรหันต์จึงให้ไปที่ปา่าช้าผีดิบก่อนเพราะในครั้งนั้นผู้ที่ถึงแ ก, กรรมไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ญาติก็นำศพไป ทิ้งไปในป่าชามอบให้ผู้รักษาป่าชาหรือที่เรียกกันว่าสับปะเรอจัดการเผาเมื่อพิกษุปไปที่ป่าชาผีดิบดังกล่าวได้เห็นศพที่สดชื่นก็เกิดความรู้สึกยินดี จึงรู้ตนเองว่ายังไม่สิ้นกิเลสทั้งนี้ก็เพราะว่ากิเลสที่เป็นอาสวะอนุสัยนอนจมหมกห ม, มมอยู่นั้นยังไม่สิ้นไปมาปฏิบัติทั้งปวงนั้นมันเกิดขึ้น เหมือนอย่างทับกิเลสเหล่านี้อยู่ในส่วนลึกของจิตกิเลสเหล่านี้จึงเปรียบเหมือนอย่างเป็นตะกอนที่นอนอยู่ก้นตุมเมื่อยังไม่มีใครไปกวนน้ำในตุมให้วันไหวตะกอนก็ไม่ฟุ้งขึ้นมาดูน้ำ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 กิเลสก็เหมือนอย่างนอนสงบอยู่ใคล้ไม่มีกิเลสแต่ครั้นเมื่อมีอารมณ์นั้นๆเข้ามากวนกิเลสในจิตที่เป็นตะกอนนั้นก็ฟุ้งขึ้นมาจิตกิงขุนมัวด้วยราคะหรือโลภะบางโทสะบางโมหะบาง ปรากฏเป็นกิเลสในจิตที่ทุกๆคนก็รู้อยู่เพราะฉะนั้นการละกิเลสในสิ้นก็ต้องสิ้นให้ถึงอาสวะอนุสัยจึงจะเป็นอนันว่สิ้นหมดเมื่อเป็นอย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ไกลกิเลสถ้ายังมีอาสวะก็ไม่ชื่อว่าไกลกิเลส แต่ยังอยู่กับกิเลสเรียกว่ายืนทับกิเลสเดินทับกิเลสนั่งทับกิเลสนอนทับกิเลสอยู่เรายังมีกิเลสอยู่ในจิตส่วนลึกจึงชื่อว่าเป็นผู้ใกล้กิเลสยังไม่ไกลกิเลสต่อเมื่อละอาสวะอนุสัยในหมดสิน้นจึงจะ เป็นภูไกลกิเลสได้พระพุทธเจา้าทรงละกิเลสได้หมดสิน้นจนถึงขั้นอาสวะอนุสัยสิ้นเชิงไม่มีหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นจึงได้พระนามว่าอารหังซึ่งแปลกันว่าภูไกลกิเลสในภาษาไทยมักจะใช้คำนี้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 พุทธานุสติแม้ข้อนี้กันจึงจัดเป็นกรรมฐานสำหรับปฏิบัติจเจริญพุทธานุสติหลกถึงขุนของพระพุทธเจ้าอันจะทำจิตให้เป็นสมาธิได้ข้อหนึ่งสติปัฏฐาน แปล ว, ว่าตั้งสติอย่างหนึ่งสติตั้งอย่างหนึ่งทีแ่แปลว่าตั้งสตินั้นมุ่งถึงสติปัฏฐานที่เป็นตัวเหตุคือปฏิบัติปฏิบัติตั้งสติขึ้น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 ก็คือว่าปฏิบัติในสติปัฏฐานและเมื่อปฏิบัติไปจนได้ผลคือสติตั้งขึ้นในกายในเวทนาในจิตและในธรรมได้ก็เป็นสติปัฏฐานที่เป็นส่วนผลเพราะฉะนั้นติดแล้วว่าตั้งสติ ก็เป็นสติปัฏฐานที่เป็นส่วนเหตุคือปฏิบัติเมื่อแปลวสติตั้งก็หมายถึงสติปัฏฐานที่เป็นส่วนผลคือสติตั้งขึ้นได้อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติตั้งสตินั่นเองพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอน ให้ปฏิบัติธรรมะที่เป็นเบื้องต้นก็คือปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์ทำทิฏฐิคือความเห็นให้ตรงการปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์นั้น ก็ประกอบด้วยสรณะคือตั้งจิตถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงประสงค์เป็นสาระให้มีสาระคือที่พึ่งอยู่ในใจเมื่อใจมีสาระคือที่พึ่งใจก็ย่อมจะ เล่นไปในพระพุทธเจ้าในประธรรมในประงร์